พึงพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจของตนให้นแน่วแน่ไม่มีใครเละจะช่วยเราได้นะทุกคนต้องคิดช่วยตัวเองอย่าไปหวังพึ่งผู้อื่นมันพึ่งไม่ได้การฝึกตนการชำระ ก, กิเลส ออกจากกิจใจนี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนแต่ละคนจะต้องกระทำไม่เช่นนั้นแล้วก็จะประสบแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดเรามันได้รับทุกข์ทนทรมานกับ อำนาจของกิเลสตัณหานี่มามากต่อมากแล้วนะควรจะตื่นตัวกันไม่ควรที่จะนอนหลับโดนไหลการท่องเที่ยวมาในสงสารนี่นะขณานานับไม่ถ้วนที่ล่วงแล้วมาชาติได้ก็มามีจิตใจผูกพันอยู่กับโลกอันนี้แหละ เมื่อเกิดขึ้นมาได้ไมาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆ น, น้นาโมเนต้วก็ชื่นชมยินดีนึกว่าตนนั้นจะไม่แตกดับทำลายไปจากโรคนี้ความหลงมันเข้าครอบามจิตใจเนีย่ยดังนั้นคนเรามันถึงได้มัวเมา ถ้าเขาจัดงานนลื่นลังขึ้นอย่างนี้ก็เฮ้อดิ้นลนกระเจากระสนจะไปดูอยากไปฟังต้องเสียเงินอย่างฝรั่งมาจัดคอนเสิร์ตนในกรุงเทพอย่างนี้แหละ ตื่นกันเหมือนกับกระต่ายตื่นตุม้มพระเอกเป็นรูปร่างยังไงเป็นยังไงอยากรูอยากเห็นเผอเม็ดเสียเงินเข้าไปดูคนละสองพันห้าร้อยบาทาที่มีผู้ชักชวน เข้าวัดฟังธรรมนะอย่างนี้ไม่เอาแล้วจิตใจไม่ต้องการเลยนี่มันแสดงถึงความหลงความเมาของคนเราเป็นอย่างนั้นคนที่หลงที่เมาไม่รู้สึกตัวว่าตนหลงตนเมาหรอกผู้ใดรู้ตัวว่าตนหลงตนเมามันขยุติหลงได้ มันยังเห็นว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขความสบายใจให้แก่ตนโยการไปดูเขาเต้นรำขับร้องดีสีตีเป่าต่างๆหมดนั่นนะแต่ก็เป็นคนบางกลุ่มบางพวกไม่ใช่ทั่วไปให้ผู้ที่เห็นโทษของ ของความสนุกสนานชั่วคราวเช่นนั้นก็มีอยู่คนเราเกิดมาในโลกนี้มันสร้างบุญบา ร, รมีมามากกว่ากันน้อยกว่ากันผู้ใดบุญบา ร, รมียังน้อยอยู่มันก็เพิดเพลินในการมคุณนั่นแหละมากอยู่ไปอย่างนั้น ผู้ใดอินทร์บารมีแก่กล้าแล้วแล้วก็เห็นโทษแห่งกรรมคุณเหล่านั้นว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรเป็นเสมือนกับเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เหมือนกับผานเบ็ดเอาเหยื่อกี่วเวทแล้วก็หย่อนลงไปในน้ำปลาเห็นว่าเป็นอาหาร ไม่นึกว่ามีสิ่งที่ทำลายชีวิตของตนอยู่ในนั้นนึกไม่ถึงเลยก็เอาปากไปงับเอาแล้วก็ติดเบ็ดเขาถึงซึ่งความตายอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้มีจิตใจไม่สงบปัญญาไม่เกิด แล้วก็ย่อมมองเห็นโลกนี้เป็นสวรรค์เป็นหน้ารื่นเริงบันทงังเช่นนั้นแล้วก็จึงหันหลังให้ศาสนาไม่หันหน้าเข้าสู่วัตาศาสานาถ้าปัญญาชนพิจนาดูความเป็นไปแห่งชีวิตอย่างนั้นก็เห็นว่า มันไรสาระแก่นสารเลยเพราะว่ากาสิ่งที่เพลิดเพลินโมเมาอยู่นั้นไม่มีสาระแก่นสารอะไรตายแล้วก็ไม่ไดเอาอะไรติดตัวไปสักหน่อยเดียวกรมีนีแต่บุญกับบาปที่แต่ละคนกระทำในโลกนี้เท่านั้นเลย ติดตัวไปเงินทองแก้วแหวนอะไรก็ไม่ได้ติดตัวไปเลยของรักของชอบใจทั้งหมดแล้วเนะ่ไม่มีอะไรติดตามตนไปเลยแม้แต่ร่างกายนี่ยมันก็ไม่ได้ติดตามไปมันก็แตกสลายลงสู่พื้นดินเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไป คอพิจารณาให้ดีๆผู้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วมันต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วที่แต่ตนทามานี่นะมันเป็นเครื่องนำทางให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่คราวใดบาปกรรมไม่ผลก็เป็นทุกข์ทนทรมานไป คราวใดบุญให้ผลก็มีความสุขความเจริญไปไม่ใช่ผีต่างเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาโนนบันดาลให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างโน้นอย่างนี้อย่างที่คนผู้หลงผู้เมาแล้วเคยนับถือกันมาอย่างนั้น เรื่องเช่นนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันดุดมผู้ใดถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้วยอมพ้นจากทุกไปไม่ได้ผู้ใดมาถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพร้อมโดยมารู้อริยสัจจะทำทั้งสี เธอทุก์สมุรทรใต้ในโลดมข้อนั้นเป็นที่พึ่งอันกเกษมเป็นที่พึ่งอันุูดมผู้ใดถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้ดังนี้เพราะฉะนั้นนะ่ะเรื่องนี้มันก็ต้องอาศัยวิจารณญาณ ของนักปราชญ์ทั้งหลายจะต้องพิจารณาถ้าว่าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วมันก็จะไม่รู้แจ้งมันจะไม่รู้แจงไม่เห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ดีแล้วนั้น ดั น, นั้นชาวพุทธเราขอให้แสดงความเรื่มใสนับถือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นบทวาทเบื้องต้นเลยทีเดียวเราไม่ควรได้จจสงสัยลังเล ว, ว่ายังจะมีที่พึ่งอย่างอื่นประเสริฐเท่านี้ไม่มีเลยบุคคลผู้ใดไม่เชื่อมัน่น ในคุณพระรัตนากรายนี้ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆเมื่อมีภัยมาถึงเข้าก็รังเลใจไม่กล้าสละชีวิตบูชาคุณพระรัตนากรายนี้ได้เหตุนั้นมันมันจึงได้หันไปหาความเชื่อความนับถือสิ่งภายนอก นั้นเข้าใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้จะมาช่วยตนให้พ้นจากภัยพิบัติอันตรายต่างๆได้เน้นแสดงถึงความไม่ไม่เชื่อมั่นในคุณพระรัตนกรายเต็มร้อยเปอร์เซนต์ถ้าผู้ใดเชื่อมั่นเต็มร้อยเปอร์เซนต์แล้วมันจะไม่ลวนเลยไปอย่างนั้น อภัยพิบัติมาถึงแล้วเราก็นึกถึงกรรมถึงเวทที่ตนทํามาแต่ก่อนถ้าเท่ากรรมเวทไม่มีก็ขอให้ภัยพิบัติต่งางๆเหล่านี้จงดับหายไปจากร่างกายจิตใจอันนี้ถ้าว่ากรรมเวทมีแล้วก็เลี้ยวไปก็ต้องสเสวยผลของกรรมของเวทนั้น ไม่มีอำนาจบาดใหญ่อะไรที่จะมากาจัดกรมเวณของมนุษย์ที่ทำออกมาแต่ชาติก่อนแล้วอันนี้เป็นความคิดความเห็นที่สำคัญมากเพราะว่าทุกคนย่อมกลัวตายย่อมเสียดายชีวิต นี่นะดังนั้นเมื่อจิตใจไม่รู้แจ้งในคุณพระตนาไกรนี่ว่าเป็นที่พึ่งกาจัดทุกภัยได้จริงๆอย่างนี้แล้วมันจึงได้ลวนเลนะจิตใจนะจึงได้คิดแสวงหาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งอ่เป็นเช่นนั้นหมูนเหตุมันก็มา จ่าความยึดถือว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตนนี่แหละไม่ภาวนาไม่ฝึ ก, กจิตให้ตั้งมัน่นการที่ไม่ฝึ ก, กจิตให้ตั้งมั่นนี่แหละนับว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่งพิจารณาลองพิจารณาดูให้เห็นลงดูสิทุกสี่นอย่างมันมันอยู่ที่ คนเรานั้นมีวิจารณญาณหมายก็ว่างั้นพระพุทธเจ้าแสดงไว้ในอุทิคือทมเป็นเครื่องเจริญสี่อย่างนั้นนะข้อหนึ่งมีโยนิสมนสิการะมันพิตรีตองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นอันนี้นะ ทำสี่อย่างนี้ดุดร้อรถนำไปสู่ความเจริญธรรมะที่เราเรียนมาเราต้องเอามาคิดมากลองมันล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของตนทั้งนั้นแหละมเมื่อตอนสังเกตตนพิจารณาดูตัวเองไปเรื่อยๆไป มันก็รู้เรื่องของตัวเองได้เป็นอย่างดีเช่นอย่างว่าถ้าทนปล่อยให้จิตใจหล่อและเลยวไหลออนแอไปตามอำนาจของกิเลสตนก็หาความสุขไม่ได้ก็วุ้นวายเดือดร้อนอยู่นั่นเนี่ยแล้วอย่างนี้นะแต่บุคคลผู้ใดไม่ได้พิจารณาตัวเองแล้วก็ยอมจะ ไม่เห็นอย่างนั้นนะเ ห, นนยยเห็นว่าตนสบายอยู่ผู้ใดมาพิจารณาเห็นว่าตนจิตใจของตนนี่ยังไม่หนักแน่นพอยังหล่อเละอยู่อ่อนแอกับอารมณ์ต่างๆอยู่เมื่อเรื่องใดกระทบกระทั่งเข้ามายังว่นไหวไปมากมายอย่างนี้นะ ก็อย่านิ่งนอนใจจิตนี่เป็นของฝึกได้ไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได้นะอย่าไปท้อใจเอา้าจิตนี่วันไหวเพราะเหตุว่าขาดสมาธิรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็รีบนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปกลางวันก็ทมกลางคืนก็ทำถ้ามีโอกาสแล้วนั่งสมาธิเลย เพ่งลมหายใจเข้าออกนั่น อ, อย่าไปเพ่งอย่างอื่นเลยในบทเบื้องต้นนี่นะจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยกระเพาะมันไม่มีสติกำหนดรูลมหายใจเข้าออกมันลืมลมหายใจเหตุนั้นมัน้นมันจิตนี่มันจึงคิดเลื่อนลอยไปทั่ว จนเป็นเหตุให้ลืมตัวจนคิดชั่วก็ไม่รู้ตัววันนี้มันลืมตัวแล้วนะนี่างนี้ทางนี้อยากคิดไปทางดีไม่มีคนลืมตัวนะ่ะคนลืมตัวก็กิเลสนล้วมันได้ช่องมันก็จูงไปตามประสงค์เลยนั่นแหละคนบางคนจึงว่าทําผิดพูดผิดไปไม่รู้ตัวเลย นึกว่าตนทําถูกพูดถูกไปผู้ถือตัวมันยิ่งแล้วคนอื่นตักเตือนเข้าก็ไม่พอใจอืมอย่างนี่แหละโดยสําคัญว่าตนนั้นดีอยู่จะมาตักเตือนทําไมอืมในสายตาของผู้อื่นนนั้มองเห็นว่าตนผิดพลาดไปแต่ตนเองไม่รู้ตัวว่าตนผิดตนพลาด นี่สําคัญมากนะให้พากันเข้าใจไว้เราต้องยอมทนให้ผู้อื่นตักเตือนเสมอไปแหละหากว่าตนพลั้งพลาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่รู้ตัวผู้อื่นตักเตือนแล้วก็ต้องมาวินิจฉัยตัวเองบ้านี้เออตนผิดจริงเหรอตนพลาดในการทําการพูดอย่างนั้นจริงเหรอ เมื่อทบทวนดูมันก็ย่อมรู้ได้เมื่อรู้ได้อย่างนี้ก็อธิษฐานใจว่าต่อ น, นี้ไปเราจะไม่ลืมตัวเราจะกาหนดรู้ตัวอยู่เสมอก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรอย่างนี้นะอธิษฐานใจนี้เรก็ตั้งสติสำรวมกายวาจาใจเลือ้อยไป โดยเฉพาะมันระลึกเข้าไปหากายหาจิตดูกายดูจิตอันเป็นส่วนภายในนี่เนยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้พิพจารณากายในกายให้เห็นว่ากายนี่สักแต่ว่ากาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่พิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมารมณ์ก็เช่นเดียวกันใหญ่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นเราเป็นเขาคำว่าพิจารณากายในกายนั้นหมายความว่าพิจารณากายส่วนย่อยในกายส่วนใหญ่เป็นงั้น กายส่วนย่อยได้แก่อะไรได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่น ะ, ะเดีย ว, วกกายส่วนย่อย เหล่านี้มันก็มีอยู่ในกายส่วนใหญ่ที่รวมเรียกว่าร่างกายนี้เองเนี่ยแต่เมื่อบุคคลไม่แยกแยะ ก, กายส่วนย่อยนี้ออกดูแล้วมันก็จึงได้หลงสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละเมื่อมันรวมกันเป็นก้อนอยู่แต่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้ตั้งสติเพจรณาแยกแยะผมขนเล็บฟันหนังเป็นตน้น เหล่านั้นให้เห็นว่าไม่มีสาระแกนสารอะไรไม่มีตัวตนอะไรเลยเมื่อแยกเนีแยออกจากกันไปแล้วเมื่อรวมกันเข้าก็เรียกว่าร่างกายไม่ได้ว่าตัวตนนะเอพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าร่างกายก็เพื่อที่จะให้รู้ความหมายกันเท่านั้นแหละดังนั้นอย่าอย่าให้ เอาคำว่าเราว่าเขานั้นบวกเข้ามากับร่างกายนี้แยกแคะดูแลต้องให้เกิดความรู้ความเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวมีมวไม่มีตนอยู่ในนี้เลยอาศัยบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งให้จึงปรากฏว่ารูปร่างนี้่สวยงามเพราะว่า มีผิวพรุ์ผุดพองมีน้ำมีนวลชวดทรงก็น่าดูน่าชมเงนี่แหละถ้าพูดตามความนิมนนิยมสมมุติของโลกมันก็ว่าสวยงามนั่นแหละเพราะโลกคือหมู่มนุษย์นี่มันติดอยู่ในความสวยความงามนี่มา แต่ละคนนับชาติไม่ทวนเลยเหตุ น, นั้นเกิดมาในชาติใดๆมันจึงมาติดความสวยความงามติดสมมติต่างๆเหล่านี้อยู่ก็เพื่อที่จะให้จิตมันคลายจากสมมติเหล่านี้มันจึงต้องแยกแยะดูให้เป็นส่วนเป็นส่วนออกไปผมก็กองหนึ่ง ขนกับกองหนึ่งเล็บกับกองหนึ่งควันกับกองหนึ่งหนังกับกองหนึ่งเป็นตน้นเดวนี้นะกระจายออกไปดูแล้วย้อนมาถามจิตดูว่าตรงไหนที่เป็นเราเป็นของของเราอะ่ะมันจะตอบตนเองว่าไงอะ่ะแน่นอนแล้วมันต้องตอบตนเองว่าไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีของเราของเขา อยู่ในนี้เลยกด็ดูดูแล้วเนั่นกับกองผมนั่นกับกองขนนี่ก็กองเล็บนั่นกับกองฟันเขามีชื่ออยู่หมดแล้วคําว่าเขาว่าเราไม่มีอมไอ้ชื่อที่ว่าผมขนเป็นต้นเหล่านี้ก็สมมติปัญญัติเอาเฉยๆแต่ความจริงแล้วมันไม่ไม่มีหรอกมีแต่จักรวาธาตุเท่านั้นแหละอืม ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตามนี้ก็เป็นธาตุดินน่ะอาศัยบุญกรรมตกแต่งให้มีรูปลักษณะต่างๆกันต่างถ้อยทอยก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนกันเช่นผมนี่ก็ป้องกันแดดเผามันร้อนมาก ถ้าผู้ใดมีผมอยู่บนศีษะมากแล้วก็ความร้อนก็ไม่มากความร้อนหนังศีรษะนะแล้วก็เป็นเครื่องประ ด, ดับร่างกายส่วนหนึ่งอันผมนี่นะเหตุนั้นคนยึงชอบไว้ผมกันถือว่า ไว้ผมยาวนะมันสวยงามความสมมติกันนะอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วไม่มีอะไรสวยงามเพราเหตุว่าเป็นของแต่ของดับเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนถ้ามันเที่ยงไมายาง่ยั่งถ้ามันเที่ยงมันยั่งยืนก็จัดจัด่เป็นสวยงามก็ได้ ผมคนเล็บฟันหนงเนื้อเอ็นกระดูกผมนี่นะแต่พราะมันไม่เที่ยงนี่แหละมันสําคัญนะเหตุนั้นจึงว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามนั่นแหละแต่จิตของบุนคคลผู้มากไปด้วยตัณหามันยังไม่ยอมรับเท่านั้นเองแหละไม่ยอมรับความจริงยอมรับแต่สมมติภายนอกอืม ที่เขาสมมุติกันขึ้นมันเป็นอย่างา น, นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมผู้เห็นทุกข์เข้นภัยในสงสารนี่ก็จงตังความเพียรไม่ยามเพ่งผินิจทางกายนี้ให้มั่งมากอยาก่าไปประมาทเมื่อจิตใจมันหลง มันกำหนัดยินดีในรูปร่างกายอันที่ตนอาศัยอยู่นี่นะแล้วมันก็ต้องไปกำหนัดยินดีในลูกอื่นเหมือนกันถ้ามันละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอันนี้ไม่สาคัญเอาเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาแล้วตนเองก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับร่างกาย ที่ตนอาศัยอยู่นี่มันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับรูปกายของผู้อื่นเช่นเดียวกันเพราะมันมีสภาวะเหมือนกันนี่ผู้ปฏิบัติทมขั้นสูงขึ้นไปเมื่อก็ต้องพิจารณาอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าจะมาย่ำตอกอยู่แต่ของเก่าือภาวนาพอข่มใจสงบลงไป จากความ ย, ย, ยินยินร้ายหน่อยหนึ่งแล้วเอาแล้วขี้เกียจใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าเช่นนี้แล้วมันก็คล้ายๆกับว่าเลี้ยงกิเลสไว้ในใจแต่ถ้ามันจะทำพิษริงๆก็คมขมมันไว้พอปะมานั่นแหละแล้วเผื่อว่าตนเผือสติมากๆเข้าไปแล้ว กี้เลด็ดอันนี้มันก็มีกำลังกล้าอะไรวันนี้มันก็ครอบงมจิตใจได้ปั่นจิตใจคิดพุ่งส่านเลื่อนน้อยไปด้วยความรักโดยความชังความหลงความเมาต่างๆบุคคลผู้ที่มีใจอ่อนแอท้อแท้ไม่ฝึกใจเข้มแข็งมันก็ยอมหลงไหลไปตาม อำนาจของความยินดีรายอย่างว่านั่นแหละดังนั้นเละพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เพิกกิตใจให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระัตนาไกลให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลอย่างเข้มแข็งบุญคนเหล่านี้ เมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตใจบางเกิดก็ในจิตใจแล้วมันก็ทําใจให้หนักแน่นให้เข้มแข็งให้สงบจากนิวรณ์ทั้งห้าอ่มันเป็นอย่างนั้นการที่พระพุทธเจ้าสอนให้ฝึ ก, กจิตใจให้ตั้งมั่นนั่นนะพอเมื่อใจตั้งมั่นแล้วมันไม่หวนไไวไปตามอํานาจของกิเลสตัณหาความทะเยอทยานอยาก ต่างๆนานาแม้ว่าจจระตนาีนไม่ขาดโดยประการนั่งพวงก่อนก็ตามแต่จิตใจที่มั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วมันไม่ส่งเสริมความอยากอันเป็นไปเพื่อบาปเพื่ออคุสลต่างๆนี่ความอยากอันใดไม่เป็นบาปไม่เป็นอคุสล ไม่ผิดศีลผิดธรรมไอ้ความอยากอันนั้นก็ยังพอทำเนามันจะไม่นำไปสู่นรกอบายภูมิเมื่ออยากมีความสุขก็ตั้งใจทำบุญกุศลไปผู้เป็นครือขัสก็ต้องยินดีในผู้ผัวตัวเมียของตัวโดยเฉพาะไม่ไปยินดีในหญิงอื่นชายอื่นอย่างนี้ เรียกว่าเป็นผู้มีตันหาอยู่แต่ว่าตันหานั้นหากไม่พาไปสู่นรกอบายภูมิอย่างนี้ก็ให้พึ่งเข้าใจผู้เทศไม่มีไม่มีผู้ครองสองประการดังกล่าวานั้นก็เป็นหน้าที่ที่เรามีโอกาสดีที่จะได้ทำความเพียร เผด็จศึกคือตัณหาเหล่านี้ให้มันเดน็ดขาดลงไปเพราะบคุคคลผู้เป็นทำตัวเป็นคนผู้เดียวหรือเป็นนักบวดนี่นะมันมีโอกาสเต็มที่เลยเป็นเช่นนั้นมีโอกาสที่จะได้ทำความเพียรสำรวมระวังจิตใจนี้เสมอเสมอไปได้ เราะไม่มีกิจกังวลกับการกลับงานการทำมาหาเรี่ยงชีพต่างๆเพื่อนก็นเหมาะสมที่เราจะต้องสมรวมอินทรีย์ได้เต็มที่หัตาก็ไม่ได้เห็นรูปที่หน้าหินีพอใจหูก็ไม่ได้ยินเสียงอันเป็นไพเราะอันเป็นเครื่องดูดดึงเอาใจให้ พุ่งสั้นออกไปภายนอกอย่างนี้นะจมูกก็ไม่ได้สูกกลิ่นหอมกลิ่นน้ำอบน้ำหอมกลิ่นดอกไม้ต่างๆนานาหมนนัน้นมันก็ห่างไกลนะนั่นแหละลิ้นก็ไม่ได้รับรสอาหารที่อร่อยมาก เพราะว่าตนมาได้แสวงหาเมื่อเขาใส่บาตรทหายังไงเขานำมาถวายยังไงก็ต้องขบฉันบริโภคอย่างนั้นโดยเฉพาะที่ธรรมเนียมในพระพุทธศาสนานี่นะพระพุทธเจ้าพาฉันในบาตรันอาหารรวมอย่างนี้นะ อันนี้ไม่ใช่อย่างอื่นใดนะก็เพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้ติดรสชาติของอาหารนั่นเองขอให้เข้าใจถ้าว่าฉันในภาชนะอย่างนี้มันก็จิตต้องลำเอียงไปเรลยอ๋ออันนี้อร่อยดีนะเพราะว่าอันนี้ไม่อร่อยออจิตใจมันก็เอียงไปตามกิเลสแล้วคนนี้นะเป็นอย่างนั้น ถ้าเราค้นใจกันเป็นอันเดียวแล้วนี่มันไม่ได้มีความวิตกอย่างนั้นเลยแล้วก็นึกในใจว่าฉันเพื่อประทังชีวิตอยู่วันหนึ่งคือหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้ฉันเพื่อความอริตร่อยไม่ได้ฉันเพื่อบำรุงร่างกายให้อ้วนให้พีให้สวยให้งามไม่ได้ฉันเพื่ออย่างนั้นนี่ ฉันเพื่อประทังชีวิตให้เป็นอยู่วันหนึ่งคือหนึ่งแล้วจะได้ประกอบความเพียรพยายามกำจัดกิเลสออกจากกิจใจนี่เท่านั้นนะเพราะบุคคลมีกำลังกายอ่อนแอไม่มีอาหารบำรุงหล่อเลี้ยงไว้ก็ไม่มีกำลังที่จะมาไหวพระนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมทำกิจวัตรของบรรพชิต เช่นเที่ยววินาศบาตอย่างนี้นะคนอ่อนแอท้อแท้มันจะไปได้ยังไงอ่ะน่นะก็พิจารณาเรื่องอาหารให้เห็นอย่างที่ว่านั้นแล้วจิตมันก็ไม่ติดไม่คล้องอยู่ในรสชาติของอาหารผ้าหนุ่งผ้าหมก็เหมือนกันนะอ่าพิจารณาให้ลงให้มันเห็นเป็นธาตุดินไป ผ้า ด, า, าดินเนี่ยผ้าดินแต่ผ้าหนุงพ้าหม่มไม่มีอะไรอ่ะเมื่อมันขาดมันชำรุดทุดโทรมลงไปแล้วมันก็ไปเป็นผ้าดินอยู่เหมือนเดิม อ, อย่างนี้น่ยแล้วเราจะไปหลงละเมอไปกับผ้าหา น, นุ่งผ้าห่มกว่าพื้นนี้เนื้อละเอียดสนิท ด, ดีนุ่มดีผืนนี้เนื้อหยาบมันแข็ง นุ่งไม่ดีห่มไม่ดีออย่างนี้อย่าให้มันมีอยู่ในใจเลยให้นึกเสียว่าสัมผัสทั้งพวง ก, ก็เป็นของไม่เที่ยงถ้าสมมติว่าใดนุ่งห่มผ้าเนื้อละเอียดสัมผัสอ่อนนุ่มนิ่มแล้วมันจะไปได้เท่าไหร่อ่ะหน่อยหนึ่งร่างกายเนี่ก็ชุดโทมไป แตกดับทำลายไปนี่แล้วเครื่องนุ่งเครื่องห่มเหล่านั้นไปที่ไหนส่วนมากก็เอาขึ้นกองไฟดดวยกันนั่นแหละเผาไปตามกันเลยหรือไม่เช่นนั้นพยังอยู่เขาก็เอาไปแจกกันนุ่งหม่มหรือไม่เช่นก็เอาไปบังสกุลในพระ พระท่านก็แจกข้าวบ้านลงห่มกันไปเท่านั้นเองเพจารณาให้มันรอบครอบในปัจจัยทั้งสี่เสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันเออเราไม่ได้อาศัยอยู่ในเสนาสนะเหล่านี้ตลอดไปหรอกมัดจุรารความตายมาถึงแล้วก็ทอดทิ้งไว้ในโลกนี้แหละ ไม่เลยเอาไปด้วยเลยเราอาศัยเสนาสนะเหล่านี้อยู่อย่างกุฏิอย่างนี้ก็เพื่อกันฝนกันลมกันแดดกันลิ้นกันยุงสัตว์ด้วยคานสัตว์มีพิษต่างๆไม่ให้มาเบียดเบียนเท่านั้นเองนไม่ได้อยู่อาศัยกุฏิกุฏต่างเหล่านี้เพื่ออย่างอื่น เพื่อความสนุกสนานเพื่อความลื่นเลิงบันเทิงในการมวิตกต่างๆนั่นหน้าไม่ใช่อย่างนั้นแต่บางคนก็อาจจะเป็นได้นะบางรูปได้อยู่ที่อยู่อันสบายแล้วมันก็วิตกไปในกามคุณเรื่อยไป ได้ได้อยู่ที่นอนอันดีอั น, อ, นอ่อนนุ่มนิ่ ม, มถ้าได้คู่ครองสมการมานอนด้วยก็เห็นจะมีความสุขสบายมากมานันดำริไปนะอันเรื่องของราคะทันหามเป็นยังไงนี่แนะต้องระมัดระวังนะ ที่ท่านสอนให้พารณาปัจจัยสี่ก็เพราะเหตุนี้นะเพื่อกันไม่ให้มันเกิดราคะตันหาขึ้นเบ่งบังฉันหยุกฉัญญาก็เหมือนกันนะถ้าไม่โรคภัยไม่เบียดเบียนนะอย่าไปที่ฉัญญาบำรุงอะไรต่ออะไรขึ้นมาเดี๋ยวมันมันร่างกายสมบูรณ์มากขึ้นราคะทันหามันก็แก่กล้าขึ้นไป นั่นเป็นภัยต่อพรหมจรรย์สำหรับผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะสิ่งใดจะเป็นไปเพื่อให้เกิดราคะตัณหาเราต้องตัดทอนมันลงเป็นอย่างนั้นแม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันนะผู้ครองเรือนนี่ถ้าไม่บรรเทาตัณหาราคะอันนี้แล้วสักน้อยมันก็ไปมีเมียสองเมียสามเข้าไปแล้วมิฉะนั้นภัย มาตูคามก็ต้องไปมีผัวสองผัวสามเข้าไป น, นู่นนหะราคัตัณหาแรงกล้า ม, มากนะถ้าบุคคลไม่พิจรารณาเห็นโทษของมันไม่ทรมานตนบ้างเช่นนี้ผู้คลองเรือนทั้งหลายมันจึงได้ทะเลาะวิวาดกันบ่อยๆจนถึงกับบาดยาร้างกันไปหมนี ก็เนื่งมาที่ตกเป็นธาตุแห่งราคะตัณหานี่เกินขอบเขตนี้เองนะนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทข้อที่สามนั้นไว้ก็เพื่อสกัดกั้นราคะตัณหาของคนทั่วไปนั่นเองเนี่ยไม่มหมันเกินขอบเขตใช้มันอยู่ในกรอบแห่งศิลป์แห่งคำเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ถึงกับเป็นบาปเป็นกรรมดั่นทุกคนมันควรปฏิบัติตาม วิในที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้โดยเคร่งครัดตามเพศตามภูมิของตนของตนอย่างนี้ให้ผู้คลองเลือนจะไปประพฤติอย่างนักบวชทั้งหมดให้ไม่ได้หรอกมันก็เป็นธรรมดามันก็ต้องประพฤติไปตามเพศตามภูมิของตนแต่ให้อยู่ในกรอบแห่งศีลแดงธรรมเช่นนี้แล้วมันก็ไม่มีผิด อะไรมันก็เป็นไปเพื่อความเจริญด้วยบุญด้วยกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่ออินทรีย์บา ร, รมีแก่กล้าขึ้นไปแล้วมันหมุนไปในตัวมันเองเนาะบุญบา ร, รมีมันแก่กล้าแล้วมันก็ทำให้มองเห็นทุกข์เข็นภัยในสงสารนี่ได้อย่างจงแจ้งเลยเดียเอ่ามันเป็นงั้น มองเห็นว่าการงานต่างๆในโลกนี่ไม่มีสิ้นสุดเต็มไปด้วยทุกภัยอันตรายต่างๆอา้าทำการทำงานไปหน่อยหนึ่งไปกระทบ ก, กระทั่งกับคนอื่นคนอื่นก็ทำการงานอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยนี่นะคนผู้กิเลสหนามันไม่ยอมมันผูกอาฆาตตอบโต้กันไป ไอ้ผู้ที่ถึงถูกฆ่าตายเพราะเรื่องผลประโยชน์ขัดกันมันนี่มีเยอะแยะเลยในโลกอันนี้นะอืนเป็นงานทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าต่างคนต่างก็สะสมตัณหาให้หนานแน่นขึ้นในใจของตนอย่างแรงกล้าเช่นนี้แล้วใครกไ็ไม่ยอมใครไม่ยอมสละตัณหาให้แกใค ร, ใคร พอถึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันดังนั้นเนี่ยความรักกับความชังเนี่ยมันจึงเป็นคู่กันเลยความรักมีในที่ไหนความชังก็มีในที่นั้นแหละออย่างผัวเมียเมื่อแต่งงานกันทีแรกก็รู้สึกอชื่นช่ำดีรู้สึกก็เป็นสุขสบายดีอะไรอะไรก็ดีหมดในเบื้องต้นนี่นะ อย่างนั้นแหละเมื่อนานเข้านานเข้าแล้วอะไรอะไรก็รู้สึกว่ามันชำรุดทรุดโทรมไปหมดถ้เลยเกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วเอาไปเห็นรูปอื่นสวยๆงามๆเปล่งปลังหมดเกิดอยากได้ขึ้นมาอีกแล้วเมื่อรูปเก่าชำรุดทรุดโทรมไปกับชิงชัง่งแบบนี้นะเกลียด ไอ้กิเลสเหล่านี้นะมันเป็นคู่กันมาแต่ดึกดำบรรณนะแต่มนุษย์เราไม่เห็นโทษของมันเฉยๆหรอกผู้ใดเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้แล้วผู้นั้นก็จึงภาคเพียนไม่ยามกําจัดมันใดคนนี้จึงไม่ท้อไม่ถอยอ่าเป็งนงั้น พูดถึงกิเลสเหล่านี้มันก็ไม่มีตัวไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันวันณนะอะไรเลยเป็นแต่เพียงธรรมอารมณ์เกิดขึ้นในจิตนี่เท่านั้นแต่จิตนี่หลงหลงว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่คู่ควรแก่ตน เมื่อตนได้สิ่งที่ตนต้องการมาแล้วตนจะมีความสุขจิตใจที่ไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิดแล้วมันก็เห็นผิดๆจากความเป็นจริงไปอย่างนั้นแหละผู้มีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิปัญญาบางเกิดขึ้นแล้วไม่เป็นอย่างนั้นนีมันก็มองเห็นว่า บรรดารูปทั้งหลายมันสวยงามเพราะตกแต่ง้ะฮะถ้าขาดการตกแต่งแล้วหาความสวยงามไม่ไม่มีอะไรสวยงามร่างกายอันนี้ลองทอดทิ้งไว้สักเกียตวันแล้วไม่เดี๋ยวแลมันดูสิไม่ขัดไม่โถไม่ชำระล้างอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะมัน แสนที่จะไม่น่าดูเลยอืมแต่ลองพิจารณาดูก็ได้ันี้ไอ้ที่ว่ามันพอดูกันได้อยู่นี่เนื่องจากว่าต้องประครบระประงมท้องชำระคัดถูอยู่ทุกวันทุกวันอย่างนี้นะมันจึงไม่ น่าชื่นทมยินดีอ่ามันมันจึงไม่ชำรุดสุดโทมมันจึงไม่เป็นสิ่งโสโครกที่น่าเกลียดเกินไปแต่ว่าคนเรามันหลงกันวันนี้นะหลงการประดับตกแต่งร่างกายอันนี้เนี่ยนอกจากขัดสีชฉวีวันต่างๆให้สะอาจสะอานแล้วก็ยังเอาซ้อย คอมาใส่เข้าไปค่อยแขนใส่เข้าไปตุ้มหูใส่เข้าไปนาฬิกาข้อมือราคาแพงใส่เข้าไปนุ่งห่มผ้าสีหลากๆเข้าไปอย่างนี้แล้วก็แนีรู้สึกว่ามันสวยงามจริงๆนั่นแหละคนโบราณไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วพอไปเห็นเขาแล้วนี่ก็ตื่นตาตื่นใจขึ้นมาแล้ว นึกชอบใจขึ้นมาอย่างนี้นะอ่าถ้าปัญญาชนแล้วก็เห็นเช่นนั้นมาแล้วมันก็นึกได้โอยไก่งามเพราะขวานคนงามเพราะแต่งต่างหากหรอกถ้าไม่แต่งแล้วมันหามีอะไรสวยงามไหมอย่างนี้ปัญญาชนมืน่อกพิจาราเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้นะอ่าแล้วจิตใจมันก็ไม่คึกคานองไปกับ รูปเสียงกลิ่นรถอันประดับประดาเหล่านั้นเลยนั่นแหละขอให้พากันพิจารณาจะได้ประมาทเราเป็นนักปวดนี่นะอืมอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนอ น, นั้นมันคนละเพศกันอยู่แล้วเราจะไปเอาเยี่ยงอย่างผู้ครองเรือนไม่ได้เลย ผิดวินัยของพระด้วยผิดธรรมด้วยเป็นการสั่งสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจอีกด้วยมันเป็นอย่า ง, งานั้นเนละิ่มมาน่ะเมื่อเรามีบุญวาสนาได้สละบ้านเรือนออกมาบวชอย่างนี้แล้วนะก็ไม่ควรที่จะประมาททอด ทิ้งบุญวัดพนาบา ร, รมีของตนไปเสียเรียกว่าบุญบา ร, รมีส่งคือให้เราขึ้นมาสู่ที่สูงแล้วไม่ควรจะกลับลงไปสู่ที่ต่ำตอย่างั้นเพราะที่ต่ำมันเต็มไปด้วยขวกด้วยน้ำเต็มไปด้วยภยัยพิบัตอันตรายส่างๆ เมื่อบุคคลขึ้นมาสู่ที่สูงแล้วมักจะปลอดภัยมากกว่ามีภยัยอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้เดียวทำการดำเงานและไปขาดผลประโยชน์กันก็อาคาดจองเวรกันดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละแล้วภยัยภายนอกอคีภยัย อยู่โดยกันแออัดยัดเยียดอยู่อ้าวไฟหนึ่งเกิดประมาทไม่รักษาฟืนไฟปล่อยไฟหไหม้บ้านเข้าไปอย่างนี้อ้คนผู้ไม่ประมาทก็พลอยชิดหายวายวอดไปตามกันไอ้อย่างนี้นะมันมันมีอยู่ไว้บ่อยเลยให้ิบัตแห่งชีวิตนี่นะ มันจะมีอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าผุ้ไม่ได้พิจารณามันบบไม่เห็นมันไม่รู้ขึ้นในจิตใจเท่านั้นนะเรื่องมันนะผู้พิจารณาเท่านั้นแหละจ่งจะมองเห็นได้พิจารณาไปหลายเรื่องเข้าไปมันจึงเกิดนิพพิ ธ, ธาความเบื่อในาย ในความเป็นอยู่เช่นนั้นสำหรับเป็นนักบวชแล้วเรามีการร ะ, ะมัดระวังกันมากอย่างนี้แหละผูกกุติอยู่ก็อยู่ห่างๆกันพอสมควรไม่ได้แออัดกันเลยอย่างนี้การใช้พื้นใช้ไฟก็ต้องระมัดระวังอย่างนี้แหละ เมื่อระวัดระวังแล้วมันก็ไม่เกิดไฟไหม้ขึ้นมาอย่างใช้ไฟฟ้าอย่างนี้นะมันก็ต้องตรวจ ด, ดูเสมอแหละต้องสังเกตดูมันไฟมันชดไหมหรือไม่ชดสายไฟมันเก่าไหมผ้าหุ้มมันผุไหมนสายไฟเล็กเนี่ยมักจก เขาใช้ผ้าหุม้มแต่สมัยทวันได้ดูมันจะเปลี่ยนไปใช้ยางหุ้มเอาแทนมันจะปลอดภัยมากกว่าแม่สายยางหุ้มก็เหมือนกันถ้าหา ก, กว่ามันไปมีอันใดอันหนึ่งมาขูดสีเข้าไปถูเข้าไปมันก็สึกหลอไปได้เหมือนกันนะเพียงนั้น ผู้ใอาศัยอยู่ที่ไหนก็ต้องกลัวต้องดูไฟฟ้าอหไดีเลื้อยไปแล้วมันจะปลอดภัยหรือว่าจุดเทียนบูชาพระหรืออะไรตอได้จุดทบบคนนี้อ่าทำไมระมัดระวังมันก็ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยพวกอาเซีย ชาวจีนนะอชอบเผากระดาษบูชาพระเจ้าบูชาบรรพบุรุษชอบจุดธูปบูชามากมากเลยทีเดียวแล้วก็มีกองในซองธูปเก่าทิ้งกองพเคเกกะไว้ใกล้หมุนั้นอย่างนี้นะแล้วมี ผ้าเก่าผ้าขาดอะไรทิ้งไม่เก็บไม่ชําระอ้าวเมื่อเวลาจุดธูปเทียนไม่ดับเทียนไปพระแล้วหนีไปเสียอา้าวธูปมันล้มลงเทียนล้มลงถูกเชื้อไฟต่างๆหัวนั้นไฟก็ลุกไหม้เข้าไปลามเข้าไปเอไปติดเสื้อผ้าอาพรเข้าไปมันก็ไหม้ตึกไหม้ลามใหญ่โตมห า, า, านวอดทั้งหลังไปเลย อันโมนีมันมีมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาให้ดีอยู่ที่ไหนก็ดีมันมีภัยอยู่รอบตานผู้ภาวนาย่อมเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระลึกไดอ้อยู่เสมอรละลึกในความไปอยู่ของตันในรอบครอบ ทั้งภายนอกทั้งภายในต้องเป็นอย่างนั้นภายในก็มันควบคุมจิตตัวเองเมื่อตนภาวนาไปเกิดความรู้ความเห็นเจี่มแจ้งขึ้นมาตามเป็นจริงอย่างไรแล้วก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอ น, นั้นไว้เสมอเสมอไป อย่าให้มันเสื่อมอแล้วจะภาวนาแล้วจะพิจารณาเมื่อเกิดความรู้ความเห็นตามเป็นจริงขึ้นมาแล้วไม่รักษาความเห็นอันเจีมแจ้งนั้นนันไวใดเช่นนี้สักน้อยกิเลสมันก็ความหลงก่อข้อ ง, งําจิตใจอีกอยู่นั้นแลอละเพราะฉะนั้นเมื่อได้สดับตับฟังอย่างนี้แล้ว ก็คอยพากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพ่งพินิษพิจารณาทำความเพียนเพ่งพินิษเสมอเสมอไปบำรงความรู้ความเห็นอันนี้ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วนี่แหละเป็นทางคนทุกข์คนภัยในวัตาสงสารดังแสดงมา